ในจิตสันดานของพระอริยเจ้าแล้วไซย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริงและเป็นของไม่ลบเลือนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อยังเพียรแต่เรียนพระป ร, ะริยัติธรรมถ่ายเดียวจึงยังใช้การไม่ได้ดีต่อเมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติจิตใจกำจัดเหล่ากระปริบกาคืออุปกิเลสแล้วนั่นแหละจึงจะยังประโยชน์ให้สาเร็จเต็มที่และทาให้พระสัธรรมบริสุทธ ไม่วิปรารถ์คลาดเคลื่อนจากหลักเดิมด้วยฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทําตามพระพุทธเจ้าปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภคะวาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสามัมโพธิญาณเป็นพุทโธผู้รู้ก่อนแล้ว จึงเป็นพักวาผู้ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไน ย, ยสัตว์ศรัทธาจึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้มีอุปนิสัยบา ร, รมีควรแก่การทรมานในภายหลังจึงทรงพระคุณปรากฏว่ากัลยาโนกิติสัตโธอภุคขโตชื่อเสียงเกียรติศัพท์อันดีงามของพระองค์ย่อมฟุง้งเฟืองไปในจตุรทิศจนตราบเท่าทุกวันนี้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 ปาปโกสัตโดโหติคือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจตุรทิศเพราะโทษที่ไม่ทําตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าในการก่อนทั้งหลายมูลมรดกอันเป็นต้นทุนการฝุดฝนตนเหตุใดหนอนักปราชทั้งหลายจะสวดก็ดีจะรับศีลก็ดีหรือจะทําการกุศลใดๆก็ดีกงต้องตั้งนะโมก่อน จะทิ้งนโมไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้นโมก็ต้องเป็นสิ่งสําคัญจะยกขึ้นพิจารณาได้ความปรากฏว่าณนะคือาธาตุน้ําโมคือาธาตุดินพร้อมกับบทพระคาถาขึ้นมาว่ามาตาเปติกะสัมภวโอรณกุมมาสปัจจะโยสัมภวะธาตุของมารดาบิดาผสมกันจึงเป็นตัวตนขึ้นมา เมื่อคลอดจากคันมารดาแล้วก็ได้รับข้าวสุกและขนมกุ้มมาตาเป็นเครื่องเลี้ยงจึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้ณนะเป็นาธาตุของมานดาโมเป็นาธาตุของบิดาฉะนั้นเมื่อาธาตุทั้งสองนี้ผสมกันเข้าไปไฟาธาตุของมานดาเที่ยวเข้าจนได้นามว่ากะลละคือน้ำมันโดดเดียวณนะที่นี้เอง ปฏิสนธิวิญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้จิตจึงได้ปฏิสนธิในธาตุนโมนั้นเมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้วกลละละก็ค่อยเจริญขึ้นเป็นอัมพูชะคือเป็นก้อนเลือดเจริญจากก้อนเลือดมาเป็นคณะคือเป็นแท่งและเปสิคือชิ้นเนื้อแล้วขยายตัวออกคล้ายรูปจิ้งเหลนจึงเป็นปันจาสาขาคือแขนสองขาสองหัวหนึ่งส่วนธาตุภะคือลม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 ก็ต้องอาศัยณนะมารดาโมบิดาเป็นผู้ทนุถ น, อ, นอมกล่อมเกลี่ยเลี้ยงมาด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกุ้มบาทเป็นต้นตลอดจนการแนะนำสั่งสอนความดีทุกอย่างท่านจึงเรียกมารดาบิดาว่าปุพาจารเป็นผู้สอนก่อนใครๆทั้งสิ้นมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดาจะนับจะประมาณไม่ได้มรดกที่ท่านทำให้กล่าคือรูปกายนี้แล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 ในพระพุทธพจน์ว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศธธามโนมยารม ท, ทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินยัยก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจคือมหาฐานนี้ทั้งสิน้นเหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ได้มาพิจารณาตามจนถึงรู้จักมโนแจ่มแจ้งแล้ว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 ในสากลโลกธาตุนั้นได้แก่มโนนั่นเองมโนเป็นตัวมหาเหตุเป็นตัวเดิมเป็นสิ่งสําคัญนอกนั้นเป็นแต่อาการเท่านั้นอารมมณะจนถึงอวิคตะจะเป็นปัจจัยได้ก็เพราะมหาเหตุคือใจเป็นเดิมโดยแท้ฉะนั้นมโนซึ่งกล่าวผ่านมาแล้วก็ดีถีติภูตังซึ่งจะกล่าวต่อไปก็ดีและมหาเหตุ ซึ่งกล่าวในข้อนี้ก็ดีย่อมมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ดีรู้อะไรอะไรได้ด้วยทศพลวียนก็ดีรอบรู้สัพเพยายธรรมทั้งปวงก็ดีก็เพราะมีมหาเหตุเป็นดั่งเดิมทีเดียวจึงทรงรอบรู้ได้เป็นอนันตไงแม้สาวกทั้งหลายก็มีมหาเหตุนี่แหละเป็นเดิมจึงสามารถรู้ตามคําสอนของพระองค์ได้ ด้วยเหตุนี้แลพระอัสสชิเถระผู้เป็นที่ห้าของพระปัญจวัคคีจึงแสดงคำแก่อุปติสสะพระสารีบุตรว่าเยธรรมาเหตุปปภาวเตสั่งเหตุตรงกรท่ากัโตเตสั่นจะโยนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมโนความว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเพราะว่ามหาเหตุนี้เป็นตัวสำคัญเป็นตัวเดิม เมื่อท่านพระอาสิชิเทระกล่าวถึงทีนี้คือมหาเหตุท่านพระสารีบุตรจะไม่ยั่งจิตลงถึงกระแสธรรมอย่างไรเล่าเพราะอะไรทุกสิ่งในโลกก็ต้องเป็นไปแต่มหาเหตุถึงโลกรัฐธรรมก็คือมหาเหตุฉะนั้นมหาปัจฐานท่านจึงว่าเป็นอนันตนไยผู้มาปฏิบัติใจคือตัวมหาเหตุจนแจมกระจ่างสว่างโลแล้ว ย่อมสามารถรู้อะไรอะไรทั้งภายในและภายนอกทุกสิ่งทุกประการสุดจะนับประมาณได้ด้วยประการชนี้มูลการของสังสารวัตรที่ติภูตังอวิชชาปัญญาสร้างขาราอุปาดานังพระโวจาติคนเราทุกรูปทุกนามที่ได้กําเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีที่เกิดทั้งสิ้นกล่าวคือมีอบิดามารดาเป็นแดนเกิด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 จึงไม่ควรน้อยเนื้อต่ําใจว่าตนมีบุญวาสนาน้อยเพราะมนุษย์ทําได้เมื่อไม่มีทําให้มีได้เมื่อมีแล้วทําให้ยิ่งได้สมด้วยเทศนาไยยะอันมาในเวสันดรชาดกว่าทานังเทติสี่ลังรั ก, กติภาวนังภาเวตวะเอกจโจสกังกัจฉติเอกจโจโมขังกัจฉตินิสั่งสยาม เมื่อได้ทำกองการกุศลคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามคำสอนของพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแล้วบางพวกทำน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์บางพวกแกลกขยันทำจริงพร้อมทั้งวาสนาบา ร, รมีแต่หนหนังประกอบกันก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเลยพวกสัตว์เดรัฉานท่านไม่ได้กล่าวว่าเลิศ เพราะจะมาทำเหมือนพวกมนุษย์ไม่ได้จึงสมกับคำว่ามนุษย์นี้ตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีสามารถนำตนเข้าสู่มรรคผลเข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ได้และชัยภูมิอันเป็นสนามฝึกคนพระบรมศาสดาอาจารย์เจ้าทรงตั้งชัยภูมิไว้ในธรรมข้อไหนเมื่อพิจารณาปัญหานี้ได้ความขึ้นว่า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 การพิจารณากายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อได้อุกขะนิมิตในที่ใดแล้วไม่พิจารณาในที่นั้นให้มากปล่อยทิ้งเสียด้วยความประมาทก็ไม่สาเร็จประโยชน์อะไรอย่างเดียวกันการพิจารณากายนี้มีที่อ้างมากดังในการบวชทุกวันนี้เบื้องต้นต้องบอกกรรมาฐานห้าก็คือกายนี้เองก่อนอื่นหมดเพราะเป็นของสำคัญ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 ไม่มีเลยจึงตรัสแก่ภิกษุห้าร้อยรูปผู้กล่าวถึงแผ่นดินว่าบ้านโน้นมีดินดําดินแดงเป็นต้นนั้นว่านั้นชื่อว่าพระหิทธาแผ่นดินภายนอกให้พวกท่านทั้งหลายมาพิจารณาอัจฉติกาแผ่นดินภายในกล่าวคืออัตภาพร่างกายนี้ให้พิจารณาไตร่ตรองให้แยบไายกระทาให้แจ้งแทงให้ตลอด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 ธรรมาชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีมีอุปมาดังดอกปฐุมชาติอันสวยๆงามๆก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตมอันเป็นของสกกปรกปฏิกูลน่าเกลียบแต่ว่าดอกบัวนั้นเมื่อขึ้นพ้นโคลนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นที่ทัดทรงของพ ร, าา ร, ปประราชาอํามาัตนบุปราชและเสนาบดีเป็นต้นและดอกบัวนั้นไม่ได้กลับคืนไปยังโคลนตมนั้นเลย ข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวาจรเจ้าผู้ประพฤติภาคเพียรประโยคพยายามย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกน่าเกลียดจิตจึงพ้นจากสิ่งโสกปรกน่าเกลียดได้สิ่งสกปรกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี้เองร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของโสโครกคืออุจจระปัสสะทั้งปวงสิ่งที่ออกจากผมขนเล็บฝัน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 เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นถึงป่านนี้เมื่อชีวิตหาไม่แล้วยิ่งจะสกระปรกหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายจึงมาพิจารณาร่างกายอันนี้ให้ชำนิชำนาญด้วยโยนิโสมะนาสีการคือการพิจารณาโดยแยบไายตั้งแต่ต้นมาทีเดียวคือขณะเมื่อยังเห็นไม่ทันชัดเจน ก็พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งกายอันเป็นที่สบายแห่งจริตจนกระทั่งปรากฏเป็นอุคขะนะนิมิตคือปรากฏส่วนแห่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็กําหนดส่วนนั้นให้มากเจริญให้มากทําให้มากการเจริญทําให้มากนั้นพึงทราบอย่างนี้ชาวนาเขาทํานาเขาก็ทําที่แผ่นดินไถที่แผ่นดินดําลงไปในขี่ดิน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 ก็เป็นอยู่อย่างนี้อาศัยอาการของจิตของขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายทุกพพทุกชาตินับเป็นอเนกชาติเหลือประมาณมาจนถึงปัจจุบันนาชาติจึงทําให้จิตหลงอยู่ตามสมมุติไม่ใช่สมมติมาติดเอาเราเพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้ จะเป็นของมีวิญญาณหรือไม่ก็ตามเมื่อว่าตามความจริงแล้วเขาหากมีหากเป็นเกิดขึ้นเสื่อมไปไมีอยู่อย่างนั้นทีเดียวโดยไม่ต้องสงสัยเลยจึงรู้ขึ้นว่าปุเพสุอนนนุสุเตสุธรรมเมสุธรรมดาเหล่านี้หากมีมาแต่ก่อนถึงว่าจะไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครก็มีอย่างนั้นทีเดียวฉะนั้นความข้อนี้พระพุทธเจ้า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 เป็นเหตุให้อนุสัยครอบงาจิตจนหลงเชื่อไปตามจึงเป็นเหตุให้ก่อภพก่อชาติด้วยอาการของจิตเข้าไปยึดฉะนั้นพระโยคาวาจรเจ้าจึงมาพิจารณาโดยแยกาขลงไปตามสภาพว่าสัพเพสั่งฆาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสังขารความเข้าไปปรุงแต่งคืออาการของจิตนั่นและไม่เที่ยง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 สังขารทั้งหลายที่เที่ยงแท้ไม่มีสังขารเป็นอาการของจิตตั้งหากเปรียบเหมือนพยับแดดส่วนสัตว์เขาก็อยู่ประจำโลกแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อรู้โดยเงื่อนสองประการคือรู้ว่าสัตว์ก็มีอยู่อย่างนั้นสังขารก็เป็นอาการของจิตเข้าไปสมมุติเขาเท่านั้นทีติภูตังจิตตั้งอยู่เดิมไม่มีอาการ เป็นผู้หลุดพ้นได้ความว่าธรรมดาหรือธ ร, รมทั้งหลายไม่ใช่ตนจะใช่ตนอย่างไรของเขาหากเกิดมีอย่างนั้นท่านจึงว่าสัพเพธ ร, รมมาอนัตตาทรรมทั้งหลายไม่ใช่ตนให้พระโยคาวจรเจ้าพึงพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามนี้จนทำให้รวมปึ๊บลงไปให้เห็นจริงแจ้งชัดตามนั้นโดยประจักษ์ขสิทธิ พร้อมกับยานสัมปยุตปรากฏขึ้นมาพร้อมกันจึงชื่อว่าพุทธนาคามินีวิปัสนาทำในที่นี้จนชำนาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์พร้อมกับการรวมใหญ่และยานะสัมปยุตรวมทวนกระแสแก้อนุสัยส ม, มุติเป็นวิมุตหรือรวมลงธีติจิตอันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นจนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยยานสัมปยุตว่า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 จิตตังตันจัโคอาคันตุเกหิอุปกิเลเซหิตอุปกิลิตธังภิกษุทั้งหลายจิตนี้เลื่อมประพัดสอแจ้งสว่างมาเดิมแต่อาศัยอุปกิเลขเครื่องเศร้าหมองเป็นอาคันตุกะสัญจรมาปกคลุมหุ้มห่มอจึงทําให้จิตไม่ส่องแสงสว่างได้กิเล ท, ทั้งหลายไม่ใช่ของจริงเป็นสิ่งสัญจรเข้ามาในทวารทั้งหก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 นายสารถีผู้ฝึกม้ามีชื่อเสียงคนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึงวิธีทรมานเวนยะพระองค์ทรงย้อนถามนายสารถีก่อนถึงการทรมานมา้าเขาทูลว่าม้ามีสี่ชนิดคือหนึ่งทรมานง่ายสองทรมานอย่างกลางสทรมานยากแท้สทรมานไม่ได้เลยต้องฆ่าเสียพระองค์จึงตรัสว่า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 แต่ต้องเป็นอดตันอยู่รู้กําลังของตนว่าจะทนทานได้เพียงไรแค่ไหนสทรมานไม่ได้เลยต้องฆ่าเสียคือผู้ปฏิบัติทําจิตไม่ได้เป็นปะทะประมะพระองค์ทรงชักสะพานเสียเปล่าคือไม่ทรงสั่งสอนอุปมาเหมือนฆ่าทิ้งเสียฉะนั้นความสําคัญของปฐมเทศนามัชฌิ ม, มเทศนา ปัติมเทศนาพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสามการมีความสําคัญยิ่งอันพุทธบริษัทควรสนใจพิจารณาเป็นพิเศษคือปฐมโพธิการได้ทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองพารณาสีเป็นครั้งแรกเป็นปัมเทศนาเรียกว่าธรรมจักเบื้องต้น ทรยกส่วนสุดสองอย่างอันบันะชิตไม่ควรเสพขึ้นแสดงว่าดว เ, เวเมภิกเวอันตาปอบปาชิเตนะนะเซวิตับบาภิกษุทั้งหลายส่วนที่สุดสองอย่างอันบันะชิตไม่พึงเสพคือกามาสุขันธิกานุโยกและอัตตกิลมถานุโยกอธิบายว่ากามสุขันธิกาเป็นส่วนแห่งความรักอัตตกิลมัฐาน เป็นส่วนแห่งความชังทั้งสองส่วนนี้เป็นตัวสมุทยัยเมื่อผู้บําเพ็ญตบะธรรมทั้งหลายโดยอยู่ซึ่งส่วนทั้งสองนี้ชื่อว่ายังไม่เข้าทางกลางเพราะเมื่อบําเพ็ญเพียรพยายามทําสมาธิจิตสงบสบายดีเต็มที่ก็ดีใจครั้นเมื่อจิตเลิกคิดให้ฟุ้งซ่านรานําคาญก็เสียใจความดีใจนั้นแหลคือกามสุ่ขันลิกา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 อาศวัคคยาญาณในยามใกล้รุ่งจึงได้ถูกทางกลางอันแท้จริงทําจิตของพระองค์ให้พ้นจากความผิดกล่าวคือส่วนทั้งสองนั้นพ้นจากสมมติโคตสมมติชาติสมมติวาดสมมติวงและสมมติประเพณีถึงความเป็นอริยโคตอริยชาติอริยวาดอริยวงและอริยประเพณีส่วนอริยสาวกทั้งหลายนั้นเล่า ก็มารู้ตามพระองค์ทำให้ถูกอาสวัยะยานพ้นจากความผิดตามพระองค์ไปส่วนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในระยะแร ก, แรกๆก็ต้องผิดเป็นธรรมดาแต่เมื่อผิดก็ต้องรู้เท่าแล้วทำให้ถูกเมื่อยังมีดีใจเสียใจในการบำเพ็ญอยู่ก็ตกอยู่ในโลกธรรเมื่อตกอยู่ในโลกกระทจึงเป็นผู้หวันไหวเพราะความดีใจเสียใจนั่นแหละชื่อว่าความวันไหวไปมา อุปนโนโคเมโล ก, กธรรมจะเกิดที่ไหนเกิดที่เราโล ก, กธรรมมี8ดมรรคเครื่องแก้ก็มีแปดมรรคแเป็นเครื่องแก้โล ก, กธรรมแปดฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงมัชชิมาปฏิปทาแก้ส่วนสองเมื่อแก้ส่วนสองได้แล้วก็เข้าสู่อริยมรรคตัดกระแสะโลกทําใจให้เป็นจาโคปฏินิสตโคมุติอนาละโย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 ห2 5 0สรูปณพระราชอุทยานเวลุวันกลันทกนิวาประสถานคุงราชคฤห์ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าอธิจิตเตจะอายโยโคเอตังพุท ธ, ธานศาสนังพึงเป็นผู้ทำจิตให้ยิ่งโดยความนี้อธิบายได้ว่าการที่จะทำจิตให้ยิ่งได้ต้องเป็นผู้สงบประงับอิทชาโลภะสมาปันโนสมโนกิงภวิสติ เมื่อประกอบด้วยความอยากดิ้ น, นรนโลภหลงอยู่แล้วจกเป็นผู้สงบประงับได้อย่างไรต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติพระวินัยเป็นเบื้องต้นและเจริญกรร ม, มฐานตั้งต้นการจงกรมนั่งสมาธิทําให้มากจเจริญให้มากในการพิจารณามหาสติปัฏฐานมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเบื้องแรกพึงพิจารณาส่วนแห่งร่างกาย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 เนื้อความในมันชิมะเทศนาจึงสำคัญเพราะเล็งถึงวิมุตติธรรมด้วยประการชนี้แหละปัจชิมโพธิการทรงแสดงปัจชิมเทศนาในที่ชุมนุมพระอริยาสาวกนระราชอุทยานสารวันของมัลลกษัตริย์กรุงกุสินาราในเวลาจวนจะปรินิพพานว่าหั่นดานิอามันตยามิโวพิเกเว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 เวียนไหวไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอเนกพบอเนกชาติเพราะเจ้าตัวสังขาร น, นั่นแหละเป็นต้นเหตุจึงทรงสอนให้พิจารณาสังขารว่าสับเบย์สร้างฆราอณิจาสับเบย์สร้างฆราลุกขาให้เป็นปริชาญาชัดเจนเกิดจากผลแห่งการเจริญปฏิภาพในส่วนเบื้องต้นจนทาจิตให้เข้าพวังเมื่อกระแสะแห่งภวังหายไปม่ยานเกิดขึ้นว่า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 ก็เลงถึงวิมุตติธรรมรวมทั้งสามการแล้วล้วนแต่เลงถึงวิมุตติธรรมทั้งสิ้นด้วยประการชนิดพระอระหันตุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติอนาสวังเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติวิเทวะธรร ม, มสยามอภิญญาสัชชิกัตวาอุบสัมปัชวิหรติพระบาลีนี้แสดงว่า พระอระหันต์ทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดย่อมบรรลุทั้งเจโตวิมุตต์ทั้งปัญญาวิมุตต์ที่ปราศจากอาสวะในปัจจุบันหาได้แบ่งแยกไว้ว่าประเภทนั้นบรรลุแต่เจโตวิมุตต์หรือปัญญาวิมุตต์ไม่ที่เกจิอาจารย์แต่งอธิบายไว้ว่าเจโตวิมุตต์เป็นของพระอระหันต์ผู้ได้สมาธิมาก่อนส่วนปัญญาวิมุตต์เป็นของพระอระหันต์สุขาวิปัสสโก